วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สบกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าตามกำลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาที่มีแต่ละท่านทำตามกำลังของทนมากหรือน้อยไม่สำคัญขอให้ได้ทำเพราะการกระทำนี้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งผลอันประเสริฐต่างๆ เหตุอันแรกที่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างกันขึ้นมาก็คือการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติอะไรกันสร้างอะไรกันขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงกล่าว่าถ้าเราต้องการผลนันประเสริฐ จ, จาก การปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็ต้องเจริญธรรมที่พระองค์ได้ทรงเจริญมาเพราะเป็นเหตุที่ทำให้พระองค์ได้บรรลุถึงธรรมันประเสริฐขั้นต่างๆ<ม>ถ้าใครต้องการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง ผู้ที่ต้องการผลเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมกลางๆคือเป็นทางสายกลางเป็นธรรมที่ไม่สบายจนเกินไปและไม่ลำบากจนเกินไปเป็นธรรมที่ไม่ได้เน้นในการทรมานร่างกาย แต่เป็นธรรมที่เน้นในการทรมานกิเลสตัณหาต้องการที่จะขัดเกลากิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจทุกคนนี้สามารถปฏิบัติธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือน เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่มีการศึกษาสูงหรือไม่มีการศึกษาสูงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเหตุหรือเป็นปัจจัยที่บังคับให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่ผู้ ศึกษาและผู้ปฏิบัติควรที่จะมีก็คือมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในการตัดสรตของพระพุทธเจ้าเชื่อในการบรรลุมรรคผลนผิพพานของพระพุทธเจ้าเชื่อว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงนํเมามาเผยแผ่สั่งสอน เป็นคำสอนที่เหมาะกับทุกคนที่ใยทำผู้ที่ใ่การหลุดพ้นจากองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดใยมรรคผลที่ผ่านสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้และสามารถบรรลุถึงผลได้อย่างแน่นอนไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี ถ้ามีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเต็มกําลังสุดกําลังที่เรียกว่าสุปฏิปันโนคำว่าสุปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็ต้องปฏิบัติเต็มที่ถ้าเป็นนักเรียนก็เรียนอย่างเต็มที่ไม่ดีโรงเรียนไม่ขี้เกียจทาการบ้านไม่ขี้เกียจอ่านหนังสือ ไม่เป็นเล่นไปเที่ยวเตะทุ่มเทจิตใจให้การการรื่มเรียนเพียงอย่างเดียวเช่นเดียวกับผู้ที่ปฏิบัติดีก็คือผู้ที่ทุมทท่มเทเ ว, มเวลาทั้งหมดให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า พ่อมีศรัทธาความเชื่อว่าถ้าได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วก็จะได้ผลตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับประกันเอาไว้ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีแล้วก็มีความศรัทธาเชื่อว่าพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ก่อนที่ท่านได้บรรลุเป็นพระสาวก ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเรานี้เองแต่เมื่อได้มาสัมผัสรับรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาความเชื่อเกิดความยินดีฉันทะเกิดวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะ ปฏิบัติตามคำสอนคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้ า, าและเมื่อได้ปฏิบัติตามก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันขึ้นมานเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันไปสู่ขั้นสกิทาคามีขั้นอนาคามีและในที่สุดก็คือขั้นพระอราหารันต ได้พรพลุถึงพระนิพพานสิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลาย mm hmm. นี่คือพระอริยสงสารุกของพระพุทธเจ้า mm hmm. ผู้ที่เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนเรามาก่อนมีทั้งหญิงมีทั้งชาย mm hmm. มีทั้งนักบวชมีทั้งคารวะ mm hmm. มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่ มีทั้งคนจนมีทั้งคนรวยมีทั้งคนสามัญมีทั้งพระราชามาหากษัตริย์นี่คือบุคคลต่างๆที่เป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธนี้ไม่ได้มีการแยกชั้นวรรณะของบุคคลที่เข้ามาศึกษามาปฏิบัติถือว่าเป็นสาวกเหมือนกันหมถือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษา เหมือนกันหมดมาด้วยจิตใจฝ่ายธรรมจิตใจที่ศรัทธาเลื่อมใสในคำสั่งคำสอนและในกการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกทั้งหลายนั่นเองถ้ามีศรัทธาความเชื่อว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วต้องได้ผลอย่างแน่นอน มันก็จะช่วยกำจัดความรังเลยสงสัยไปได้ยิ่งในยุคสมัยนี้มีการพูดกันแบบเละเทะอยู่มากว่ามรรคผลนิพพานหมดยุคหมดสมัยแล้วปฏิบัติไปยังไงก็ไม่มีวันที่จะบรรลุ ถ, ถึงมรรคผลนิพพานได้เพราะไม่มีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้สั่งผู้สอนอีกแล้วอันนี้ก็เป็นคำพูดที่เละเทะ ที่ไม่มีสาระไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ที่บรรลุ ธ, ธรรมกันอยู่อย่างต่อเนื่องเพียงแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในวงการของผู้ปฏิบัติด้วยกันนี้จะไม่ค่อยรู้กันเพราะการบรรลุ ธ, ธรรมนี้เป็นการบรรลุภายในใจไม่ได้เป็นการบรรลุแบบทางโลกคือมีการ แจกรางวัลตุกตาทองกันให้ท่านนี้บรรลุขั้นนี้เอาตุกตาเงินไปท่านนี้บรรลุท่านนั้นเอาตุกตาทองแดงไปท่านนี้บรรลุขั้นนู้นเอาตุกตาทองไปท่านที่บรรลุธรรมนี้ส่วนใหญ่นี่จะไม่มีใครรู้กันถ้าท่านไม่พูดแล้วก็จะไม่มีใครรู้จะรู้ได้กับผู้ที่บรรลุธรรมด้วยกัน เมื่อเห็นกิริยาการเห็นเห็นการดำรงชีวิตของท่าน <Yeah. S 1> ก็จะพอประมาณได้ <Yeah. S 1> แล้วถ้าได้ยินได้ฟังธรรมของท่าน <Yeah. S 1> ได้ฟังได้สนทนาธรรม <Yeah. S 1> ก็จะเข้า <Yeah. S 1> ก็จะรู้ว่าได้ถึงธรรมขั้นต่างๆแล้วหรือยัง <Yeah. S 1> แต่สำหรับผู้ที่อยู่นอกวงการปฏิบัตินี้ จะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยเพราะเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่สามารถจะมองเห็นว่าคนนั้นคนนี้เป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมก่อนต้องบรรลุธรรมขึ้นมาก่อนเมื่อบรรลุธรรมแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจ ของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆดังนั้นในเมื่อเรายังไม่มีดวงตาเห็นธรรมเรายังมืดบอดอยู่เกี่ยวกับเรื่องธรรมต่างๆสิ่งที่เราต้องยึดก็คือผู้ที่รู้ธรรมผู้ที่รู้ธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เองขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นผู้ที่สอนผู้ที่บอกเราให้เราไปเปิดตาของเราเปิดตาของเราให้มีดวงตาเห็นธรรมด้วยการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเราผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ผู้ที่ต้องการได้เข้าถึงบรำ ม, มาสุขของพระนิพพานจำเป็นจะต้องอาศัยผู้ที่รู้ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้นำทางเป็นผู้สั่งผู้สอนการที่เราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนี้ก็หมายถึงการถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทางเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได ถืพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นรอปปเป็นผู้รักษาความปลอดภัยที่จะมาคุ้มครองชีวิตจิตใจของเราพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่มีหน้าที่เป็นม า, มาเป็นรอปปของเราท่านเป็นครูเป็นอาจารย์พวกเราเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นนักเรียนต้องทําความเข้าใจให้ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องแล้วก็จะไปปฏิบัติไม่ถูกจะไปหวังให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเสกมาเป่าให้เราได้สิ่งนั้นให้เราได้สิ่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เพราะทํามอันเลิอนอันประเสริฐนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติด้วยตัวของเราเอง พระพุทธเจ้าไม่สามารถปฏิบัติให้กับพวกเราได้พระอริยสงฆ์สาวกก็ไม่สามารถปฏิบัติให้กับพวกเราได้พวกเราต้องเป็นผู้ศึกษาและเป็นผู้ปฏิบัติเองอย่างวันนี้พวกเราก็ได้ทําการขั้นที่หนึ่งก็คือมาศึกษามาเรียนรู้ว่า ถ้าเราต้องการที่จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายเราจะต้องทําอะไรกันบ้างเราต้องมีอะไรบ้างเราต้องสร้างอะไรกันขึ้นมาบ้างทำที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นปรารถนามรรคผลนิพพาน ที่ต้องสร้างข้อที่หนึ่งก็คือสร้างความมักน้อยความมักน้อยในปัจจัยสี่ในการดำรงชีพให้เรามีพออยู่พอกินก็พอแล้วก็ไม่ต้องหรูหราไม่ต้องฟุ้งเฟ้อเหอหินให้เป็นของเรียบง่ายเช่นอาหารก็อาหารธรรมดาธรรมดาก็อยู่ได้ ผักต้มจินน้ำปลากินกับข้าวนั้นก็อยู่ได้ไม่ต้องไปฝันถึงหูปลาฉลามพิซซ่งพิซซ่า <c oughs> เลืออะไรต่างๆกินเข้าไปมันก็ทำหน้าที่เหมือนกันกินเข้าไปก็อาหารมีหน้าที่ไว้กำจัดความหิวแล้วก็รักษาให้ร่างกายนั้นอยู่ได้อย่างปกติสุข ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ไม่พิกลพิกายเพราะว่าถ้าเราไปพุ่งเฟ้อเหอเหอิมกับอาหารมันก็จะทำให้เราต้องเสียเวลารันหนึ่งก็ต้องเสียเวลาหาทรัพย์หาเงินหาทองมากขึ้นเพื่อที่จะได้มาซื้อของกินชนิดต่างๆ ที่มีประโยชน์ที่ทำหน้าที่เหมือนกับอาหารธรมธรมดาคือข้าวกับผักต้มจิ้มน้าปลานี่ก็อยู่ได้แลก็ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องเสียเวลามากจะได้เอาเวลาไปปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าต้องการให้เรานี้ไม่มีภาระกับเรื่องปัจจัยสี่มากจนเกินไปเพราะจะดึงเวลาอันมีค่าของการปฏิบัติไป ถ้าเราัมมาให้ความสำคัญกับการกินการอยู่การนอนมันก็จะทำให้เราเสียเวลามากเวลาที่เราจะนำมาไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมก็มีน้อยอย่างญาติโยมนี้ต้องใช้เวลาถึงวันละแปดชั่วโมงไปทำงานทำการกันอาทิตย์ละห้าวันแล้วต้องเสียเวลาเดินทางไปกลับอีก สองถึงสี่ชั่วโมงถ้าอยู่ที่ไกลออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืดกว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดค่ำพ อ, อกลับถึงบ้านก็เนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับภารกิจการงานก็จะไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะปฏิบัติธรรมกันอยากจะพักผ่อนอยากจะหลับนอนหรืออยากจะผ่อนคลายตามความต้องการของกิเลส ก็คือเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผลทพะไปเวลาที่จะนำมาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะไม่เกิดขึ้นอาจจะทำได้เฉพาะในช่วงวันหยุดทำงานวันเสาร์วันอาทิตทย์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นมีครอบครัวอยู่นี้ก็จะไม่สามารถทำได้เพราะ ถ้ามีลูกก็ต้องพาลูกไปหาความสุขตามภาษาของคนทางโลกเวลาโอกาสที่จะเข้ามาวาดัดเข้ามาศึกษามาปฏิบัติธรรมนี้ก็จะไม่มีแต่ถ้าเราใช้หลักของความนมาักน้อยคือมีน้อย คือถ้าไม่มีครอบครัวได้ยิ่งดีอยู่คนเดียวตัวคนเดียวนี่คือตัวคนเดียวนี่ก็เรียกว่ามักน้อยอย่างเลยไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีทิดาก็ไม่ต้องมีภาระที่จะต้องไปเลี้ยงดูเขาภาระก็เพียงแต่เลี้ยงดูตัวเราเองร่างกายของเราเพียงคนเดียวแล้วถ้าเรากินอยู่แบบเรียบง่ายบ้านก็ เป็นบ้านธรรมดาพอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ไม่จําเป็นจะต้องซื้อบ้านใหญ่โตสร้างบ้านใหญ่โตเจ้าบ้านเขาอยู่ก็ได้เดือนเราไม่จิดตางแล้วถ้าเราทําอย่างนี้ได้อะไรค่าใช้จ่ายของเราจะมีไม่มากเราก็สามารถเลือกงานทําได้แทนที่จะต้องไปทํางานที่ต้องใช้เวลาทั้งอาทิตย์เนี่ย จันถึงสุกแล้วก็แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นก็อาจจะเลือกทำงานอิสระขายของทางตรงยิ่งยุคนี้ยังมีการขายของแบบออนไลน์ด้วยยิ่งสบายอยู่กับบ้านได้ไม่ต้องออกนอกบ้านสามารถขายของกับที่ได้มีการส่งของอะไรต่างๆเราก็สามารถเลือกทา ได้ตามความต้องการของเราพอเราคิดว่าเราได้รายได้พออยู่ได้เราก็ทำให้มันน้อยลงไปเอาเวลาที่ใช้กับการทำมาหากินหาปัจจัยสี่มาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติถ้าอยู่คนเดียวยิ่งสบายยิ่งไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไป กังวลกับใครสามารถที่จะปฏิบัติอยู่ในบ้านของตนเองก็ได้นี่คือข้อหนึ่งของธรรมที่เราควรที่จะขวนขวายสร้างกันขึ้นมาก็คือความมากน้อยลองสำรวจดูว่าเรามีอะไรบ้างแล้วเรามีอะไรจาเป็นที่เราจะต้องใช้กันบ้างอันไหนที่เราไม่ต้องใช้ ถ้าเราเก็บไว้เฉยๆมันเกะกะก็เอาไปให้คนอื่นเขาดีกว่าเอาไปทำบุญทำทานจะได้ไม่ต้องมีภาระกับการดูแลรักษาแล้วก็จะได้อยู่แบบเรียบง่ายไม่ต้องไปโลภมากอยากได้นูน่นอยากได้นี่กันเพราะถ้าไม่ใช้เหตุผลใช้อารมณ์ เดี๋ยวก็เห็นของแปลกๆใหม่ๆก็อยากจะได้กันดงนั้นขอให้เราใช้เหตุผลคือการใช้ใช้สอยของสิ่งต่างๆอาหารก็มีไว้เลี้ยงดูร่างกายเลี้ยงพอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทุกอย่างต้องมัชติมาต้องเป็นทางสายกลางมากเกินไปก็ไม่ดีกินอาหารมากก็ทําให้เกลียดค้านได้ ทำให้ง่วงเหงาเหานอนได้ง่ายทำให้ปฏิบัติยากแล้วก็ต้องเสียเงินมากปิ๊นมากนอกจากนั้นก็ยังมีโรคภัยไข้เจ็บตามมาอีกด้วยเดี๋ยวก็ต้องเสียเวลากับการไปดูแลรักษาร่างกายเพราะร่างกายมีของเป็นพิษมากเกินไปอของต่างๆถึงแม้จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ แต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็กลายเป็นพิษต่อร่างกายได้เช่นน้ำตาลไขมันมอะไรต่างๆเหล่านี้มีความจำเป็นต่อการเลี้ยงดูร่างกายถ้าได้พอประมาณของความต้องการแต่ถ้ามากเกินไปมันก็จะกลายเป็นศัตรูกับร่างกายไปฉะั้นอย่า ก, กินมากเกินไปแล้วก็อย่า ก, กินน้อยเกินไปกินพอให้ ดับความผิวของร่างกายได้ก็พอเสื้อผ้าเครื่องนุ่ห่มก็เช่นเดียวกันก็เอาเท่าที่เราจำเป็นจะต้องมีต้องใช้เท่านั้นมีสามชุดนี้ก็น่าจะพอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งเก็บสำรองเผื่อไว้เผื่อถ้ามันถ้ามันซักแล้วไม่แห้งก็มีอีกชุดหนึ่งเอามาใส่ได้ ถ้าเรามุ่งมั่นไปในทางธรรมเราก็จะไม่ไปยุ่งกับสังคมอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องมีชุดต่างๆเหมือนกับเวลาที่เข้าสังคมถ้าลองเข้าสังคมแล้วนี่เครื่องแบบเยอะเกินเดี๋ยวชุดแต่งงานชุดวันเกิดชุดงานศพชุดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเรา ไม่ต้องไปเข้าสังคมไม่ต้องออกไปนอกบ้านได้เราก็มีเพียงสองสามชุดก็พอแล้วแล้วสบายไม่ต้องมาซักให้เหนื่อยมากซักวันละชุดเดียวๆเท่านีงก็เสร็จจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเสื้อผ้าก็พอประมาณไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป แล้วก็ไม่ต้องรหรูหราไม่ต้องสวยงามหน้าที่ของเสื้อผ้าไม่ใช่มาเสริมความงามให้กับเราความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอยู่ที่ร่างกายแต่อยู่ที่จิตใจที่มีความสุขหรือไม่จิตใจที่มีความสุขจะเป็นจิตใจที่สวยงามเพราะผู้ที่มีความสุขย่อมไม่ไประบายความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาต้องเสียหายเดือดร้อน มีแต่จะแบ่งความสุขให้กับผู้แต่ผู้ที่มีความทุกข์นั่นแหละผู้ที่ไม่มีความสุขนั่นแหละจะเป็นผู้ที่จะคอยระบายความทุกข์ให้แก่ผู้อยู่เรื่อยๆดังนั้นถ้าเราอยากจะสวยงามอยากเป็นผู้ที่คนอื่นเขารักเขาชอบขอให้เรามาสร้างธรรมะม ก, กันดีกว่าเช่นสร้างศีลธรรมศีลธรรมนี้เป็นความสวยงามของใจ อย่าไปกังวลกับความสวยงามของร่างกายเพราะเป็นความสวยงามที่ชั่วคราวไม่ทิ้งแท้แน่นอนอาจจะแกะ่อาจจะเป็นอะไรขึ้นมาได้อาจจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าใจนี้ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีศีลมีความสวยงามอยู่ในใจก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆไม่ว่าร่างกายจะดีหรือไม่ดีอย่างไร เสื้อผ้านี้มีไว้เพื่อบกปิดป้องกัน ร, รักษาร่างกายเท่านั้นเองบกปิดอวัยวะรักษาป้องกันไม่ให้ภัยจากความหนาวเย็นจากแมลงส า, า์กัดต่อยมาทำให้ร่างกายต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่าง เพราะถ้าไม่มีที่หลบแดหลบฝนหลบภัยเวลาฝนตกก็เปียกแล้วก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้เวลาแดดออกก็ร้อนแล้วแล้วก็มีภัยจากทางบุคคลที่ไม่ไม่ดีก็มีหรือภัยจากสัตว์ต่างๆก็จําเป็นจะต้องมีที่หลบภัยเหล่านี้ก็ไม่จาเป็นว่าจะต้องสวยต้องงามต้องใหญ่ต้องโตอะไร มีที่พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่จำเป็นจะต้องมีบ้านใหญ่โตมาโหราเวลาตายไปเขาก็ไม่เอาบ้านใหญ่โตไปกับเราเขาเอกบ้านเล็กๆไปให้กับเราไปก็ลงศพนี่คือบ้านสุดท้ายของเราก็คือลงศพนี่เห็นหัดอยู่แบบลงศพดีกว่าง่ายดีไม่ต้องมีอะไรมาก ไม่มีอะไรไม่ต้องใช้อะไรไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรเครื่องอะไรต่างๆเครื่องประดับต่างๆอะไรต่างๆนี้ไ ม, ไม่ไม่มีความจำเป็นจะต้องมีบ้านมีไว้เพื่อหลบแดดหลบฝนเท่านั้นยารักษาโรค ก, ก็เช่นเดียวกันก็รักษาไปตามตามฐานะของเราเพราะว่าเราก็มีการรักษาหลายระดับด้วยกัน แต่ก็ได้ผลเหมือนกันสามสิบบาทรักษาทุกโรค ก, ก็รักษาได้โดยจะสามหมื่นบาทรักษาทุกโรค ก, ก็มีเหมือนกันแล้วแต่เราจะเลือกหายก็หายเหมือนกันตายก็ตายเหมือนกันเฉั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บมากเกินไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเจอโรคที่รักษาไม่ได้ ไม่ว่าจะไปโรงพยาบาลแพงขนาดไหนหรือไปโรงพยาบาลถูกถ้ามันรักษาไม่ได้ก็รักษาไม่ได้เหมือนกันนั้นไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้มากจนเกินไปให้มันเจริญมานา น, นสติอยู่เรื่อยๆว่าไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งร่างกายมันก็ต้องสิ้นสุดลง แต่ก่อนที่มันจะสิ้นสุดลงนี้เราเอามันมาใช้ประโยชน์ให้กับจิตใจดีค่ะอย่าไปเอาไปใช้ประโยชน์กับกิเลสตัณหาเลย <c oughs> น, นี่คือทำข้อที่หนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะไปสู่มรรคผลผนิพพานจำเป็นจะต้องมีเวลาให้กับการปฏิบัติกับการศึกษา ถ้ามแต่มาคอยหาปัจจัยสี่กันแบบฟุ่มเฟือยแบบหรูหราเวลาที่จะไปปฏิบัติกันนี้แทบจะไม่มีเลยนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือให้เรายินดีตามมีตามเกิดคือให้มีสันโดษได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นได้มากได้น้อยก็ให้พอใจอย่าไปมากมากอย่า เพราะถ้าไม่พอใจแล้วมันจะทุกข์ทุกข์แล้วมันจะทำให้เราดิ้นรนไปในทางที่ผิดดิ้นรนไปหาสิ่งที่เราไม่ควรหากันถ้าจะยินดีถ้าถ้าจะมากมากก็ให้มากมากในทางธรรมแต่อย่าไปมากมากในทางปัจจัยสี่มัมากน้อยในปัจจัยสี่หรือยินดีตามมีตามเกิดในปัจจัยสี่ที่เราจะหาได้ บางทีไม่มีความสามารถที่จะหามาได้พอเพียงก็ขอให้ยินดีตามมีตามเกิดไปอย่าไปใช้วิธีหามาโดยวิธีที่ไม่สุดจริตคือไปทำผิดกฎหมายหรือไปทำผิดศีลผิดธรรมเพราะมันเป็นการสร้างบ่วงสร้างโทษให้กับจิตใจจะทำให้การศึกษาการปฏิบัติธรรมนี้ เป็นไปได้ยากขึ้นแต่ถ้าเรายินดีตามตา ม, ม, าา ม, ตามีตามเกิดมีเท่าไหร่ก็มีใช้ผลไปตามมีตามเกิดถึงแม้อาจจะไม่พอเพียงอาจจะต้องอดมือ้อกินมือ้อ ก, ก็ทนออกไปอยู่ในโลกของความไม่มีไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้ายังร่างกายยังหายใจได้อยู่ก็ยังสามารถปฏิบัติธรรมได้อยู่ยิ่งถ้าในทางปฏิบัตินี้ ยิ่งอดความอดอยาขาดแคลนนี้แทนที่จะเป็นสัตว์ตักับเป็นกับเป็นมิตรเสียอีกผู้ที่ปฏิบัตินี้บางทีต้องทําให้ตัวเองอดอยาขาดแคลนเช่นมีการอดอาหารเป็นต้นเพราะเมื่อมีการอดอาหารนี่มันจะช่วยกระตุ้นความเพียรกระตุ้นให้ต้องปฏิบัติเพราะเวลาอดอาหารนี้จิตไม่อยู่ไม่อยู่ในภาวะปกติ จิตจะอยู่ในภาวะที่ถูกลุมล้อมด้วยความหิวโหยแล้วจะถ้าต้องการที่จะให้จิตอยู่อย่างสงบก็ต้องมีการเจริญสติมีการปฏิบัติธรรมเวลาอดอาหารนี้จึงมักจะไม่ขี้เกียจกันเพราะเหมือนมีภัยเข้ามาเมื่อมีภัยเข้ามาก็ต้องต่อสู้กับภยัย แต่ถ้าในยามปกติถ้าไม่มีภัยเข้ามาก็อาจจะเกียต์ขี้เกียรต์ได้ถ้าลองถ้านักปฏิบัติสังเกต ด, ดูจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาได้อดอาหารกับเวลาที่รับประทานอาหารตามปกตินี่ความรู้สึกนี้จะต่างกันถ้ารับประทานอาหารตามปกตินี่มันไม่มีภัยมาคุกคามจิตใจไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความหิว มันก็เลยทำให้เกียรตค้างขึ้นมากินอิ่มแล้วก็แทนที่อยากจะเดินจงกรมนี่ก็อยากจะนอนอยากจะหาที่หลับที่นอนเพราะมันสุขมันสบายจากการรับประทานอาหารก็เลยไม่อยากที่จะไปทรามานกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าวันไหนไม่ได้รับประทานอาหารวันนั้นจะรู้สึกว่ามันหิว และวิธีที่จะทำให้มันไม่ทรมานใจก็คือต้องปฏิบัติต้องเดินจงกรมนั่งนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเพราะถ้าทำใจให้สงบได้แล้วความหิวส่วนใหญ่จะหายไปความหิวนี้มีอยู่สองส่วนด้วยกันคือหิวทางกายและหิวทางใจความหิวทางใจความหิวทางกายนี่เป็นความหิวที่เล็กน้อย เหมือนเหมือนกับตัวหนูเนี่ยส่วนความหิวทางใจนี่เป็นตัวใหญ่เหมือนตัวช้างถ้าเราดับตัวหิวในใจได้เนี่ยตัวหิวทางร่างกายจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปัญหาอยู่กับความหิวของร่างกายได้แต่ถ้าเกิดความหิวทางใจแล้วมันทรมานมากแม้แต่คนที่กินข้าวอิ่ ม, มๆก็ตามเถิด ถ้า ล, ลองเกิดความหิวทางใจก็ทรมานขึ้นมาแล้วต้องบางทีก็ทนไม่ไหวก็ต้องไปกินอีกกินได้ไม่กี่ชั่วโมงบางทีแค่ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเห็นหหนั้นู่นนี่นี่ขึ้นมาหิวขึ้นมาอีกแล้วแต่ไม่ได้หิวทางร่างกายนะร่างกายนี้อยู่ไปได้ตลอด24ชั่วโมงลองได้รับประทานอาหารสักมือเดียวนี้ก็อยู่ได้ถึง24ชั่วโมงแต่ใจนี่แต่มันหิวอยู่เรื่อย ใจมันหิวโหยด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาพอมันหิวขึ้นมาแล้วทีนี้มันก็ถ้าไม่เคยฝึกไม่เคยใช้สติไม่ใช้ความอดทนแล้วจะสู้ไม่ไหวก็จะต้องกินมาหลายหลา ย, หลายมือ้อกินสามมื้อแล้วเราอย่างมีกินระหว่างมื้ออีกกินก่อนนอนอีกบางทีนอนดื่นขึ้นมาก็กินอีกอันนี้แหละที่มาของโรคอ้ว น, นที่มา ของโรคภัยต่างๆมีโรคเบาหวานโรคความดันโรคอะไรต่อมีอะไรเพราะจิตใจไม่มีความอดทนไม่มีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับความหิวทางใจแต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่อดอาหารนีรู้ว่าจะจำเป็นจะต้องสู้กับความหิวนี้ให้ได้ด้วยธรรมคือสติและปัญญาสติก็คือคอย ควบคุมความคิดอย่าให้ไปคิดถึงอาหารเพราะพอคิดถึงอาหารครับน้ำลายจะไหลทันทีก็ต้องใช้การเจริญสติเช่นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆเพื่อให้ใจไม่ไปคิดถึงอาหารความผิวก็จะหายไปใจก็จะสงบใจก็จะสงบเป็นพักๆพอสติเผลอเมื่อไหร่สติหมดกาลังเมื่อไหร่ก็จะไปคิดอีก วิธีที่จะทำให้ไม่คิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงอาหารเวลามันเข้าไปในปากเวลามันเข้าไปในท้องเวลาที่มันออกมาจากร่างกายนั่นก็เป็นอาหารอย่างนั้นดูร่างรูปร่างหน้าตาของมันว่าเป็นยังไงอาหารที่เราคลายออกมาจากปากที่เราเคี้ยวอยู่มันแสนอร็ดอร่อยลองดูหน้าตามันหน่อยซิว่ามันเป็นยังไงลองคลายออกมาแล้วลองจะตัดเข้าไปกินใหม่ได้ เรืออาหารที่อาเจียนออกมาจากในท้องอาหารดีๆทั้งนั้นน่ะที่อาเจียนออกมาอาหารวิเศษทั้งนั้นสุดยอดของอาหารเพราะไม่มีใครไปหาอาหารเร็วๆกินกันหรอกเวลาแต่ทำไมเวลามันอาเจียนออกมานี้ไม่อยากจะกินมนันี้ไม่อยากจะเอากลับเข้าไปไม่เสียดาย่ากเหมือนอุตสาห์กินแทบเป็นแทบตายคนจะรีบตัดกลับเข้าไปใหม่นให้นึกถึงภาพของอาหารเหล่านี้ ทุกครั้งที่นึกถึงอาหารอย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานอยู่ในเมนูเนี่ยตามร้านอาหารก็จะถ่ายภาพอาหารไม้ให้ดูอาหารจานนี้เป็นอย่างนี้นะอย่าไ่นึกถึงอาหารอย่างน้ ำ, นำลายไหลเลยเดี๋ยวก็อดกินไม่ได้อดอยากจะกินขึ้นมาไม่ได้นนี่คือมาตรการที่จะทําให้เราต่อไปะจะไม่มีปัญหากับเรื่องกินอาหารเรื่องน้าหนักเกินนี้จะไม่มีไม่ต้องไป เต้นล้างเต้นกาแอร์ระบกแอร์ระบิกพิณนกพิณเนื้อไทยเสียวเวลาแล้วอันนั้นไม่ใช่เป็นวิธีแก้มันแก้ไปเหตุไปเต้นล้างเต้นการเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็หิวอีกน้ําหนักอาจจะเหนือออกไปหน่อยเอาไปสักกิโลหนึ่งแล้วกลับไปกินใหม่ก็สองกิโลนี่มันก็ไม่ลดสักทีวิธีที่ลดง่ายที่สุด ก, ก็อดอาหารนั่นเองมันจะยากตรงไหนกันอดอาหารมัน สมวันเจ็ดวันนี้เห็นผลเลยวห้ากิโลเนี่อยากจะลดลองอดสักเจ็ดวันดูวันละกิโลนี่มันได้สบายเลยง่ายดายมากแต่ต้องมีเครื่องมือถ้าไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญานี้จะทําไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีปัญญาแล้วอดอาหารได้สบายรู้จักใช้สติคือมันเจริญสติพุโทโธพุโทโธบริกรรมมันอยู่เรื่อยๆอย่าไปคิดถึงอาหาร แล้วถ้ามันคิดถึงอาหารก็พยายามนึกถึงอาหารที่เข้าไปในปากเข้าไปในท้อง <c oughs> เวลามันออกมาจากปาก <c oughs> จากท้องหน้าตามันเป็นอย่างไรหรือเวลามันถ่ายออกมาอันนี้ก็เป็นอาหารหนังนะ้อันเรียกว่าอาหารใหม่อาหารเก่า <c oughs> ถ้าพิจณางี้ได้แล้วเนี่ยเรื่องปัญหาของอาหารนี้จะไม่มีต่อไปเรื่องกินอาหารก็ไม่มีปัญหาเพราะหลังจากอาหารมานี่ อะไรกินได้หมดนะเห็นข้าวเปล่านี่ก็อร่อยนะเชื่อไหมลองหัอาหารดูเลยแล้ว <S <S อพอมีถึงเวลาจะกินอาหารนี่มันไม่เลือกเลยอะไรก็ดูอร่อยไปหมดอะไรก็น่ากินไปหมดแต่ถ้าเรากินหลายหลายมื้ออยู่นี่บางทีจู้จี้จุกจิกไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นั่นก็ไม่เอาบางทีต้องถับรถไปไกลโน่นนะถึงจะถึงจะกินได้เนี่ยเสียเวลากับการกินอาหารไปกับเปล่า เป็นความสุขชั่วไปลิ้นได้พอสัมผัสกับลิ้นนั้นเลยพอเข้าไปในร่างกายแล้วมันก็หายไปแล้วแล้วมันก็มาสร้างความหิวความอยากให้มีเพิ่มขึ้นมาอยู่นเรื่อยถ้าลองอดอาหารได้ต่อไปจะไม่ค่อยหิวกับอาหารอะไรเท่าไหร่บางทีกินก็กินเมื่อถึงเวลาก็กินมันพอไม่มีไม่ได้ถึงเวลากินมันก็ไม่คิดมันก็ไม่คิดถึงอาหารเลยมันไม่เดือดร้อน อาหารแบบไหนก็ได้ชนิดไหนก็ได้ mm hmm. ถ้ามันจู้จิ้จุกจิกก็ฝึกร mm hmm. วมมันในชามก่อนก่อนที่จะเอาไปรวมกันในท้องอาหารทั้งหลายเดี๋ยวที่เรากินนี่มันก็ต้องเข้าไปในท้องมันก็ต้องไปรวมกันในท้องไม่ว่าจะเป็นของค้าของหวานเครื่องดืม่มอะไรต่างๆนี้ก็เอามันรวมกันในชามในจานที่เราจะกินก่อนคลุกมันเข้าไปเหมือนกับตอนที่มันอยู่ในท้อง ถ้ากินอย่างนี้มันจะไม่มันจะไม่เลือกอาหารเพราะมันก็มันกินได้มันก็เป็นมันต่างกันที่รูปร่างหน้าตาแต่ความจริงมันก็มีแค่รสพอมันมารวมกันมันก็เป็นรวมมิตรมีทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวกินเข้าไปนี่สมัยที่ไปอยู่วัดป่าบ้านตานี่พระไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกอาหารของตนเองหลวงตาไม่ให้เลือก หลวงตาให้ผ้าช่วยกันตักบาตรหลวงตารับอาหารจากญาติโยมตักใส่บาตรของท่านแล้วท่านก็จะมอบอาหารจานนั้นหรือชามนั้นให้ผ้ารูปหนึ่งเอาไปตักใส่ทุกบาตรอาหารจานที่สองท่านก็ให้ทำเหมือนกันยนั้นไม่มีใครจะเรียกว่าอาหารจะกินอาหารชานิดนี้จะกินอาหารชานิดนั้น <S <S 1> <S 1> เหมือนกันหมดทุกคนได้อาหารเหมือนกันหมดแล้วก็ มันก็ไม่ได้ยากยากให้ด้วยเวลาท่านตักใส่บาตท่านก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเวลาเวลาถึงเวลาจะาไปเปิดบาตรดูโอ้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนสงฆามาหานแต่มันก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่ามันฉันมือเดียวถึงเวลาฉันนี่มันมันก็หิวแล้วมันกินได้อะไรก็กินได้นี่ถือมาตรการที่จะช่วยให้เราอ มีการมีความเพียงกำจัดนิวรณ์เช่นความเกลียดคร้านความง่วงเหงาเหงานอนถ้ากินดีอยู่ดีนี่มันขี้เกียจมันอยากจะนอนแต่ถ้าโอดอยาขาดแคลนนี่มันทาให้ร่างกายตัวเบาท้องเบาใจก็มีสติมีปัญญาทำให้เดินจงกรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนั่งสมาธิก็นั่งได้เป็นชั่วโมงชั่วโมง ไม่มีการง่วงเหงาหาแนอนอะไรต่างๆนี่คือเรื่องของการกินอยู่ของนักปฏิบัติะต้องกินอยู่แบบมักน้อยหรือสันโดษยินดีตามมีตามเกิดอย่างเวลาไปบวชนี่ต้องยินดีตามมีตามเกิดไปอยู่วัดไหนท่านสอนให้กินยังไงก็ต้องกินะไปอยู่บ้านตาถ้าให้กินแบบนี้ก็ต้องกินแบบนี้ไม่มีทางเลือกไม่มีทางว่าขอผมจัดอาหารเลือกอาหารของผมเองได้ไหมไม่ได้แล้ว ทุกคนต้องกินตามมีตามเกิดแล้วมันก็ทำให้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องอาหารเพราะบางทีถ้าเราบวชใหม่นี้ถ้าเรานั่งอยู่ปลายแถวถ้ามีการให้พระหยิบอาหารเองเียบางทีเรามองไปอาหารที่เราชอบแต่พอมาถึงเรามันหายไปแล้วก็ได้ <c oughs> เพราะพระองค์เหมือนท่านหยิบไปก่อนนะ <c oughs> โดยเฉพาะเวลาบวชใหม่ๆนี้ต้องไปนั่งปลายแถวเนี้ยต้องทาใจนะ หรืออะไรก็กินเหมือนอาหารเหลือเดนอยู่ปลายแถวแต่ถ้ามุ่งมันในทางธรรมแล้วก็จะไม่มีปัญหาะไรเพราะรู้ว่ากินกินเพื่ออยู่ไม่ได้มาอยู่เพื่อกินไม่ได้มาหามาอยู่อยู่เพื่อหาหาอาหารมาอยู่เพื่อหาธรรมะอาหารนี่เป็นเพียงปัจจัยเสริมที่เราจะต้องมาใช้กับร่างกายเท่านั้นเองแต่ปัจจัยหลักที่เราต้องการก็คือธรรม ทำก็คือ น, นี่แหละมักน้อยสันโดษที่จะเป็นตัวที่จะทำให้เราไม่ต้องมามีปัญหากับเรื่องการกินการอยู่การรับประทานอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ที่วัดเขาก็จะจัดให้เราเราก็ไปเลือกที่ไม่ได้ไปถึงเขาเ่ากุฏินี่ว่างมาอยู่ไปอยู่ที่ไหนได้ก็อยู่ไปขอให้มันสงบก็แล้วกันขอให้มันไม่มีอะไรความวุ่นวายต่างๆ นี่ก็มาข้อที่สามพอเรามีมากน้อยมีสันโดษแล้วข้อที่สามก็ให้เรามีความวิเวกมีสถานที่วิเวกสงบสงัดพราะการที่จะปฏิบัติได้ผลดีนี่ต้องอยู่ในที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรนห่างไกลจากกิจกรรมอะไรต่างๆทางตาหูจมูกลิน้นกายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคต่อ การทําใจให้สงบนั่นเองเป็นการมันทะถ้าเราอยู่ใกล้รูปเสียงกีดลอดการมัชชะนทะก็จะเกิดขึ้นมางา่ายพอได้ยินเสียงก็อยากก็ติดเสียงอยากจะฟังเสียงนั้นพอได้เห็นรูปก็อยากจะดูรูปนั้นมันก็ไม่มีกรจิตกระใจที่จะมาเจริญพุทโธพุทโธมานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกงนั้นผู้ที่ต้องการผลจากการปฏิบัตินี้ ต้องไปหาที่สงบสงัดวิเวกเช่นตามวัดป่าวัดเขาต่างๆถ้าในเบื้องต้นยังต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันเพราะท่านจะจับสถานที่ให้สงบสงัดวิเวกุดติก็จะอยู่ห่างกันไม่อยู่ใกล้กันเพราะว่าไม่ต้องการให้คุก ค, คีกันนี่ก็คือข้อที่สี่ถึงแม้ไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกแล้ว แต่ต้องอ า, อาจจะต้องอยู่ด้วยกันคือมีหลายมีหลายกุฏิมีหลายที่พักก็ไม่ใหไ้ไปเยี่ยมเยียนกันไม่ให้ไปสนทนากันไม่ให้คุก ค, คีกันให้ต่างคนต่างอยู่กัน เ, เวลามาทำกิจวัตรร่วมกันก็ไม่ให้คุยกันให้ต่างคนต่างมีสติอยู่กับภารกิจที่ตนเองต้องทำ เดินไดาต้องเข้าโรงครัวไปช่วยทาครัวก็ต่างคนก็ต่างทาหน้าที่ไปล้างถ้วยล้างชามไปทากับข้าวไปเรื่องอะไรหรือถ้ารับเวลารับประทานอาหารก็ต่างคนก็ต่างรับประทานไปเวลาทำความสะอาดก็ต่างคนก็ต่างทำความสะอาดไปให้มีสติอยู่กับงานไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันเพราะการพูดคุยกันนี่จะทำให้มีความคิดปรุงแต่ง แล้วถ้าคิดปุงแต่งแล้วเวลาไปนั่งสมาธิมันจะไม่สงบเอาความคิดปุงแต่งนี้มันเป็นเป็นอุปสรรคต่ต อ, อการเข้าสมาธิเรียกว่าความฟุ้งซ่านฉะนั้น <Yeah. S 1> ต้องคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยต้องเจริญสติให้จิตนี้มีสติคอยกํากับใจจะเป็นการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้หรือจะให้ดูการ เคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายก็ได้ถ้าเดินจงกรมก็ให้อยู่กับการเดินไปถ้าปัดกวาดก็ให้อยู่กับการปัดกวาดไปถ้าล้างถ้วยล้างชามล้างบาตรล้างอะไรก็ให้อยู่กับงานนั้นไปไม่ให้สนใจออกไปที่อื่นไม่ให้ไปคุยกันพูดกันพาปฏิบัติเวลาท่านทำกิจร่วมกันนี้เหมือนกัท่านโกรธกันนะไม่ไม่พูดไม่จากต่างคนก็ต่างทากิจของท่านไป เศรษกิจเมื่อไม่ต้องอยู่ร่วมกันก็แยกกันให้มุ่งกลับไปที่ปฏิบัติของตนเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติต่อไปเดินจงกรมหรือไปนั่งสมาธิต่อถ้าทำอย่างนี้แล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะมีการกระทำอย่างต่อเนื่องไม่มีการขาดตอนจะขาดตอนก็ช่วงเวลานอนหลับเท่านั้นนอนก็ไม่ให้นอนมากนอนแค่สี่หรือห้าชั่วโมง พระพุทธเจ้าสงสอนพระว่าให้ปฏิบัติช่วงค่ำตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิไปพอถึงสี่ทุ่มก็ให้พักถึงตีสองหรือถ้าพักห้าทุ่มก็ตื่นตีสามหรืออาจจะตื่นถ้ามากกว่าสี่ชั่วโมงก็ห้าชั่วโมงแต่ไม่เกินห้าชั่วโมงนะครับก็ตื่นตีสองตีสามขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรม แล้วก็นั่งสมาธิเพราะว่าถ้าลุกขึ้นมานั่งเดี๋ยวมันก็ จ, จะหลับได้ถ้ามันหลับก็ลุกขึ้นมาเดินเดินเสร็จพอรู้สึกว่าไม่ง่วงรู้สึกว่าตื่นตัวดีแล้วก็เมื่อจากการเดินก็สลับก็มานั่งทางอย่างนี้ไปจนถึงสว่างถึงเวลาออกบิณฑบาตก็ไปบิณฑบาตขณะบิณฑบาตก็ให้มีสติอยู่กับการบิณฑบาตกลับมาจากบิณฑบาตมา ฉันอาหารก็ให้มีสติอยู่กับการฉันอาหาร mm hmm. ล้างบาทก็ให้มีสติอยู่กับการนั่งบาทเช็ดบาทเสร็จก็ทาความสะอาดสาลาให้เก็บข้าวเก็บของอะไรให้เรียบร้อยพอ mm hmm. เสร็จธุระกิจส่วนรวมก็แยกกันกลับไปอยู่ที่ภาพของตนต่อไปปฏิบัติธรรมของตนต่อไปเดินจนกลมนั่งสมาธิ ต, ต่อ mm hmm. แล้วแต่ธรรมของตนอยู่ในขั้นไหน ถ้าอยู่ในขั้นปัญญาก็พิจารณาทางปัญญาไปถ้าอยู่ในขั้นสติก็เจริญสติไปถ้าอยู่ในขั้นสมาธิก็นั่งสมาธิให้มากๆไปสุดแท้แต่ระดับของการปฏิบัติก็ทําตามหน้าที่ของตนไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ต้องออกมาทําหน้าที่ให้กับส่วนรวมตอนบ่ายก็ต้องออกมาช่วยกันปัดกวาดลานวัดอีกครั้งหนึ่งปัดกวาดเสร็จก็อาจจะร่วมกันฉันน้นําปานะนิด มีน้ำปานะให้ดื่มเพื่อจะได้บรรเทาความหิวโหยของร่างกายมีน้ำตรงน้ำตาลมีน้ำชากาแฟเมื่อดื่มเสร็จห้ามคุยกันเวลาดื่มก็ห้ามคุยกันให้ดื่มเสร็จค่าแ ย, ยากกันไปหลวงตาท่านจะมาเดินตรวจอยู่ด้วยมารอบแรกแต่เห็นหน้านี้ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่พอมารอบที่สองเห็นหน้านี้ก็เตรียมกระโจนได้นะแต่ดงว่านั่งนานเกินไปนะ เพอเห็นท่านพอเห็นท่านมารอบแรกนี้ต้องรู้ตัวแล้วเราถึงเวลาต้องปิดตัวแล้วอย่าให้เจอท่านในรอบที่สองเดี๋ยวรอบที่สองเดี๋ยวท่านจะถามแล้วเป็นยังไงทําไมไม่ไปกุฏิทําไมไม่ไปเดินจงกรมท่านก็ไม่ว่าโดยตรงแต่ท่านก็อาจจะพูดเป็นแนวให้ข้อคิดแต่คนจะหลานไม่ต้องรอให้ท่านพูดอ่อพอเห็นเงาท่านมาก็กระจอย ถ้าดโดนโดเตือนบ่อยๆเดี๋ยวโดนใบแดงนะใบแดงก็เชิญออกจากวัดเนี่ยถ้ายังอยากจะอยู่วัดอยู่นี้ต้องรีบอย่าถ้าได้รับใบเหลียวนี้แสดงว่าระวังได้แล้วนะอย่าไปเจอใบแดงเข้านะอันนี้ก็นี่ก็คุณประโยชน์อย่างหนึ่งที่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีความเข้มงวดกวดขันกับเรื่องการปฏิบัติเนี่ย ท่านจะคอยสอดส่องดูแลการปฏิบัติของพระเนรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนยามค่มยามคืนท่านก็เดินรอบวัดนะเดินไปตามกุฏิต่างๆหรือว่ามีการกระจุกตัวกันอยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่า <c oughs> มีเสียงดังคุยกันออกมาจากนอกกุฏิหรือเปล่าถ้ามีคุยกันเดี๋ยวตอนเช้าก็โดนนะทำอะไรกันทำไมไม่ภาวนา อันนี้ท่านคอยดูแลอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนท่านเดินตรวจว่านี้เห็นท่านตรวจตอนบ่ายท่านก็เดินตรวจตอนข้ามตอนดึกท่านก็เดินตรวจแล้วช่วงที่ฉันน้ำพนะกก็เดินตรวจอยู่สงสารท่านนะท่านเหน็ดเหนื่อยะเพื่อเพื่อพลาจริงๆถ้าไม่ต้องทำอะไรก็ได้สำหรับจิตใจของท่านนี่ท่านจิตใจของท่านสบายแล้วท่านเป็นเศรษฐีทำนะ ถ้าท่านเห็นผู้ที่มาอาศัยท่านมาเพื่งท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านก็เลยต้องเสียสละความสุขความสบายส่วนตัวให้กับลูกศิษย์ลูกหาคอยกระตุ้นคอยกำลาบถ้าออกนอกรูนอกทางก็คอยกำลาบถ้าไม่ไม่ขยันถ้าขี้เกียจก็คอยกระตุ้นคอยเตือนอยู่เรื่อยๆนอกจากนั้นก็ยังเรียกมาอบรมอยู่เรื่อยๆมีการประชมุม ยุคที่ท่านแข็งแรงนี่ท่านไม่มีภารกิจกับญาติโยมมากยุคแรกๆที่ไปนี่ท่านจะเรียกมาอบรมทุกสี่ห้าวันครั้งนึ่ห้าวันก็เรียกมาอบรมประมาณครั้งละสองชั่วโมงนั่นงฟังเทศฟังธรรมไปแล้วก็เล่าเรื่องการปฏิบัติของท่านเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่อยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆว่าเป็นอย่างไรมีคติธรรมอย่างไรท่านก็เอามาฝากอยู่เรื่อยๆ ทุกครั้งที่ได้ยินได้ฟังธรรมมันก็เกิดกำลังใจเหมือนเหมือนต้นไม้ที่ขาดน้ำเนี่ยพอได้น้ำปับ๊บต้นไม้มันก็เริ่มมีความสดชื่นขึ้นมาจิตใจก็เหมือนกันจิตใจนี้พออยู่ห่างธรรมหน่อยกิเลสมันก็ลุมแล้วสําหรับผู้ที่ยังไม่มีธรรมในตัวเองก็ต้องอาศัยธรรมของครูบาอาจารย์มาคอยกระตุ้นครูบาอาจารย์ท่านยังหมั่นเรียกประชมอยู่เรื่อยๆ ทุกสี่ห้าวันนี้ท่านจะเรียกมาอบรมครั้งหนึ่งครั้งละประมาณสองชั่วโมงอันนี้พอได้ยินได้ฟังทำกลับไปก็ใจก็กระปี้กระเป๋าขึ้นมาปกติก็อาจจะ ถ, ถึงเวลาก็อาจจะนอนแต่คืนนั้นก็อาจจะปฏิบัติเป็นพิเศษเพราะมันมีความรู้สึกมีความสุขมีกำลังที่อยากจะปฏิบัติขึ้นมามันก็ช่วยกันกระตุ้นการปฏิบัติให มีคืบหน้าไปได้เรื่อยๆนี่ก็คือประโยชน์ของการที่เราไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกที่สปายะสปายะทั้งสถานที่คือสบงบเงียบสบปายะทั้งครูบาจารย์เรียกว่าบุค ล, ลากรสปายะบุคละคือมีมีมีสัทธามิกะมีกัลยาณมิตรในครูบาาจารย์และในพระที่ เป็นพระผู้ใหญ่ของเราเพราะที่ท่านบวชมาก่อนเราท่านก็มีประสบะการณ์มีความรู้อะไรที่สามารถจะช่วยดึงช่วยดูดการปฏิบัติของเราได้ถ้าไปอยู่ในสำนักปฏิบัติรูปนวเนจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นภาตรตกลงนี้จะเน้นให้กับการปฏิบัติถ้าเราลองไปคุยกับท่านไปคุยเละเทะไปคุยเรื่องโลกเรื่องอะไรนี้เดี๋ยวก็โดนท่านไล่กลับไปท่านจะไม่คุยด้วย ถ้าไปคุยเรื่องธรรมแต่ก็ไม่ค่อยได้คุยเพราะทางครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้คุยกันท่านเน้นในการปฏิบัติมากกว่าถ้ามีอะไรสงสัยก็รอถามครูบาอาจารย์ได้นี่คือเรื่องประโยชน์ของการที่เราไปหาสถานที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ไม่คุกคลีกันนี่คือทำที่เราควรที่จะสรรหากันสร้างกันขึ้นมา มากน้อยสันโดษปีกวิเวกหาที่สงบสงัดแล้วก็เวลาไปอยู่ที่สงบสงัดก็อย่าไปคุกคีกันอย่าไปชุมนุมกันแยกกันเวลามาทำกิจร่วมกันก็ให้มีสติอยู่กับภารกิจที่เราทาอยา่าอย่าคุยกันเพราะคุยแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้ฟุง้งจิตจะฟุง้งแล้วเวลากลับไปปฏิบัติมันจะเป็นนิวรณ นี่ก็คือสี่ข้อแรกที่ควรจะมีข้อต่อมาก็คือให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมวิริยะคือหมั่นเจริญสติหมั่นนั่งสมาธิหมั่นเจริญปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสลับกันไปในขณะที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆในขณะที่เราอยู่ตามลำพังอยู่ในที่พักของเรา อย่านั่งอย่านอนเฉยๆอย่าปล่อยให้ใจลอยคิดถึงอดีตที่ผ่านมาคิดถึงอนาคตที่ไม่มีไม่แน่นอนให้เราเอาเวลานี้มาใช้กับการปฏิบัติดีกว่าจะเป็นการปฏิบัติสติก็ได้ปฏิบัติสมาธิก็ได้ปฏิบัติปัญญาก็ได้ปัญญาก็ถ้าพิจารณา่ครควรเองได้ก็พิจารณาไปเรื่องไตยลัก เรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องอาการสามสิบสองไปถ้าไม่เช่นั้นก็อ่านหนังสือธรรมะก็ได้สมัยนี้ก็มีมีเทศที่อาจเป็นเสียงก็เอามาฟังได้ฟังธรรมไปก็ได้ธรรมนี้ฟังได้เท่าไหร่ทาได้ฟังได้ยิ่งมากยิ่งดีไม่จำเป็นว่าจะต้องรอวันพระถึงจะมาฟังธรรมกัน อันนั้นมันเป็นอดีตในสมัยพุทธกาลมันไม่มีสื่อต่างๆอย่างสมัยนี้ก็ต้องรอวันพระวันที่มีเวลาว่างจากการทำมาหากินจะได้ไปฟังธรรมที่วัดได้เพราะที่อื่นไม่มีที่ฟังธรรมกัน<ม><ม>ก็ต้องมีวันหยุดถึงจะไปได้ถ้าไปทำงานที่ทำงานก็ไม่มีธรรมให้ฟังแต่สมัยนี้มีได้ทุกแห่งทุกคนมันอยู่ในมือถือเราแล้วนะ อยากจะฟังธรรมที่ไหนก็ทำงานช่วงช่วงกลางวันพักรับประทานอาหารเสร็จมีเวลาว่างก็เปิดฟังธรรมก็ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปให้จิตคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปไม่เกิดประโยชน์อะไรขอยควบคุมความคิดให้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ควบคุมด้วยสติพุทโทพุธทโทก็ต้องใช้เอามันมาทำทำงานมาคิดทางปัญญา หรือไม่ฉะนั้นก็ให้มันหยุดคิดด้วยการนั่งสมาธิอันนี้แหละคือวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้การการบรรลุธรรมขั้นต่างๆปรากฏขึ้นมาต้องมีความเพียรความเพียร น, นี่แหละคือคือเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ท่านท่านตัดไว้ในธรรมว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้ด้วยการ นั่งคิดนั่งขอว่าเมื่อไหร่จะได้ถึงนิพพานทันทีเมื่อไหร่จะได้นู่นได้นี่ทันทีคิดไปจนวันตายก็ไม่มีวันได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดังนั้นพอพอเราได้อยู่ในที่ที่สามารถปฏิบัติได้เราก็ต้องขยันประหยะัดปฏิบัติให้มากที่สุดตั้งแต่ตื่นจนหลับปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญา แล้วทำที่จะตามมาก็คือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆแบ่งไว้เป็นสี่ขั้นด้วยกันขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิดาคามีขั้นอนาคามีขั้นพระอาหารหันต์เรียกว่ามรรคผลเวลาเราเจริญปัญญาเพื่อดับความทุกข์สังโยชน์ที่ที่ร้อยมาจิตใจไม่ให้ได้เป็นพระโสดาบันพอตัดสังโยชน์สามข้อแรกได้ก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ได้ดับความทุกข์เกี่ยวกับความแก่เจ็บตายของร่างกายได้แล้วขั้นต่อไปก็มาดับความทุกข์ที่เกิดจากการมราคะความยินดีความอยากจะเสพกามอยากจะร่วมหลับนอนกับผู้อื่นขั้นที่สองนี้ก็จะทำให้เบาบางลงคือด้วยการพิจารณาอสุภะเป็นพักๆไปเวลาใดที่มีการพิจารณาสุภะความอยากที่จะเสพกามมันก็หายไป เวลาใดที่ไม่ได้เจริญเผอก็ไปคิดปรุงแต่งถึงคนสวยๆงามๆหล่อๆก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้อันนี้เป็นขั้นที่สองคือละความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเสพกามอารมณ์ได้ทำให้เบาบางลงแต่ยังทำไม่ได้หมดขั้นที่สามถึงจะทำได้หมดคือขั้นพระอนาคามี อาณาการมีนี้จะพิจารณาตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นร่างกายนี้จะเห็นเป็นอ ส, สุภะเป็นหดเห็นเป็นซากศพเห็นอาการสามสิบสองถ้าเห็นอย่างนี้แล้วการอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้นี่คือการตัดคือหลุดพ้นจากความทุกขแต่ละขั้นแต่ละขั้นขั้นโสดาบันก็หลุดไปสมข้อขั้นที่สองก็ทําให้อีกสองข้อเบาบางลงขั้นที่สามก็ทําให้อีกสองข้อนั้น หายไปหมดก็ละสังโยชน์ได้ห้าข้อขอ้ห้าข้อแรกเรียกว่าสังโยชน์เรื่องต่างที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายแล้วสังโยชน์เรื่องบนก็มีห้าข้อสังโยชน์เรื่องบนนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องจิตใจโดยตรงไม่เกี่ยวกับร่างกายผู้ที่ผ่านขั้นร่างกายไปแล้วไม่ต้องพิจารณาร่างกายต่อไปว่าปล่อยวางร่างกายได้หมดทั้งของตนเองและของผู้ แต่ยังปล่อยวางเรื่องอารมณ์เรื่องจิตของตนเองไม่ได้ก็ต้องไปละสังโยชน์ที่เหลืออยู่อีกห้าตัวเพราะสังโยชน์นี้จะทาให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอละสังโยชน์เบื้องบนห้าตัวได้ปั๊บความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไปวิมุตติก็สมบูรณ์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็สมบูรณ์ตามขั้นที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้มากสี่ผลสี่นิพพานหนึ่ง มรรคผลข้อที่หนึ่งก็ขั้นโสดาบันมรรคผลข้อที่สองก็สกิทาคามีมรรคผลข้อที่สก็อนนาคามีมรรคผลข้อที่สี่ก็อนาก็อาหารหันต์ได้สังโยชน์ได้ทั้งหมด10ประการความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในใจก็หมดสิ้นไปจะไม่มีวันฟื้นคืนกลับขึ้นมาได้อีกต่อไปเมื่อใจไม่มีความสุขอยู่ในใจความสุขก็เลยเต็มเปี่ยมขึ้นมาภายในหัวใจ ความทุกข์กับความสุขในใจนี้มันเหมือนกับความมืดกับความสว่างของของบ้านเราเนี้ยของที่เราอยู่เนี่ยถ้าเวลามืดมันก็ไม่สว่างเวลามันสว่างมันก็ไม่มืดเช่นเดียวกันใจของเราถ้ามันไม่ทุกข์มันก็จะสุขถ้ามันสุขมันก็จะไม่ทุกข์แต่เวลามันทุกข์มันก็จะไม่สุขฉะนั้นเราทำลายความทุกข์ให้มันหมดไปพอเรารู้ว่าเหตุที่ทาให้ใจเราทุกข์คืออะไร ก็คือสังโยชนิสิบประการนี้และธทรมที่จะทำกาจัดสังโยชน์ทั้งสิบประการนี้คืออะไรก็คือศีลสมาธิปัญญาสนับสนุนด้วยการความมากน้อยสันโดษความสารที่สงบสงัดวิเวกการไม่คุก ค, คีกันและความเพียรที่จะปฏิบัติธรรมต่างๆเหล่ า, า, านี้มันก็จะทำให้เราได้วิมุตติหลุดพ้นพะ พอเกิดการหลุดพ้นก็จะเกิดวิมุตติญ า, าณทัศนขึ้นมาคือญาณอย่างทราบว่าทุกในใจของเราที่เคยมีอยู่นี้มันหายไปหมดแล้วเหมือนคนที่หายจากโรคไข้โรคโรคป่วยเนี่ยไม่ต้องไปถามหมอหมอฉันหาย ห, ายหรื อ, อยัง เ, ยเวลาไข้าหายนีย่เรารู้เองคนไข้รู้เองไม่ต้องไปถามหมออันนี้ก็เหมือนกันเวลาทุกหมดไปจากใจมันก็เหมือนไข้หมดไปจากใจ เมื่อไม่มีไข้แล้วก็ไม่ต้องไปถามหมอว่าหมอฉันหายหรือยังมีแต่บอกหมอฉันขอกลับบ้านแล้วนะคิดถึงแฟนคิดถึงลูก <c oughs> นี่ก็คือเรื่องของธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษามาปฏิบัติมาสร้างกันถ้าเราต้องการผลที่เกิดที่จะเกิดขึ้นคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นต่างๆวิบูติขั้นต่างๆ นี่ต้องเกิดจากการที่เราปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนคือให้เรามีความมักน้อยมีความสันโดษให้เราเปลีกยวิเวกันอยากครุกตรีกันให้เรามีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วเวมุติและวิมุติญาณสนะัทณะก็จะปรากฏขึ้นมาตามลําดับ<อ>นี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนตีสาขังเอวามีวะอิตโตทินังเปตานังอุ ป, ปกปฏิยิชิตังปัิตังตุมังกิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา ยันโทปนาราโสยธาเมณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจชะโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสาณิจจังวุฒาปะจายโน จตารวธรรมวาทันติอายุวโนสุขังปาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ แต่อย่ามาถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วเพราะว่าไม่สะดวกตอนนี้อยากจะถามได้ถามได้เต็มที่เลยอันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่ค่ะวันนี้จาก Facebook 450 YouTube 243วิทยุออนไลน์5ผู้รับฟังหน้ากุฏิ119รวม817ท่านค่ะเชิญถามได้เลย จคุณสุภาวงการฝึกสติอย่างถูกต้องโยมผู้ฝึกต้องมีกิริยาอย่างไรคะตัวอย่างเช่นโยมผู้ฝึกมีนิสัยทําอะไรช้าๆฝึกสติแล้วก็ยังมีนิสัยทําอะไรช้าๆอยู่หรือว่าเมื่อฝึกสติอย่างถูกต้องแล้วก็จะทํางานเช่นกวาดบ้านถูบ้านเร็วขึ้นหรือจะต้องมีนิสัยอย่างไรเจ้าคะอ๋อ น, นี้แล้วแต่กรณีช้าเร็วไม่สําคัญ ขอจิตมันอยู่กับที่ก็แล้วกันอย่าให้มันไปที่อื่นให้มันอยู่กับงานที่เราทําช้าก็ได้เร็วก็ได้ขึ้นอยู่กับกรณีบางทีต้องรีบทําก็ต้องเร็วบางทีไม่ต้องรีบทํำก็ทําตามสบายอันนี้แล้วแต่ภาวะเหตุการณ์พาไปแต่ที่สําคัญก็คือจิตต้องไม่ไปที่อื่นจิตต้องไม่คิดเรื่องอื่นจิตต้องอยู่กับเรื่องที่เรากําลังทําอยู่เพียงอย่างเดียว คุณทูโทขอแนวทางวิธีใช้กลอบายในการพิจารณาและหลักการในการพิจารณาในการทำลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงค่ะก็ดูว่ามันไม่เที่ยงมันมาปุ๊บได้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปกินอะไรก็อร่อยเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้วก็ทำให้หิวอีกทำให้อยากอีกทุกอย่างมันเป็นความสุขแบบควันไฟ มันเป็นเหมือนอยาเสพติดเสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถ้าอยากจะให้มีความอิ่มก็อย่าไปเสพมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยินดีอย่าไปอยา ก, ยากมีอยากเป็นแล้วพอไม่มีความอยากแล้วความอิ่มใจมันก็จะเกิดขึ้นเองแล้วมันก็ไม่ต้องเสพอะไรก็ได้คุณเพชรน้ํหนึ่ง การภาวนาคือการทิ้งธาตุรู้หรืออาศัยธาตุรู้อยู่ครับ อ, อ๋อการฆ่ากิเลสการภาวนาคือการฆ่ากิเลสล้วความโลภโกรธหลงด้วยการควบคุมความคิดให้หยุดคิดชั่วคราวแล้วถ้าพอควบคุมความคิดให้หยุดคิดได้พอมันจะคิดก็ให้มันคิดไปทางฆ่ากิเลสคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรากิเลสมันก็จะตาย คุณทีธนาจากครั้งก่อนได้ไปผ่าตัดมาแล้วขณะที่ฟื้นจากการผ่าตัดก็เจ็บปวดกายแต่แยกจิตไว้กับองค์พระพุทธรูปและองค์ครูบาอาจารย์เพื่อทําให้จิตเกิดสมาธิเป็นพลังเป็นระยะระยะสลับกับการเห็นการเจ็บปวดของร่างกายแต่ก็ยังได้ยิ้มจากสมาธิไปด้วยเจ้าค่ะขอถามว่าแบบนี้ขึ้นโชกกับของจริงแล้วถือว่าพอใช้ได้ไหมเจ้าค่ะ ตอนนี้โยมอยู่ระหว่างการพักฟื้นเจ้าค่ะเราทุกหรือไม่ทุกเหรเราเป็นคนให้คะแนนตัวเราเองนะทุกมากทุกน้อยหรือไม่ทุกเลยถ้าไม่ทุกเลยก็สี่จุดถ้าทุกบ้างไม่ทุกบ้างก็สองจุดถ้าทุกตลอดเวลาก็ศูนย์ผ <laughs> ู้ไม่ประสงค์ออกนาม เนื่องจากเป็นคุณแม่ลูกเล็กสองคนเวลาลูกเล่นเลอะเทอะหรือไม่ฟังตัวเองจะดุลูกแล้วทําให้ลูกกลัวสุดท้ายแล้วตัวเองก็มาเสียใจที่ดุลูกอยากจะเป็นคุณแม่ที่สงบและอ่อนโยนกับลูกจะเริ่มต้นอย่างไรดีคะและพบว่าเมื่อได้มีเวลามาฟังธรรมะจากพระอาจารย์จิตใจกลับสงบแต่เมื่อเจอลูกซนก็กลับมาเป็นคนอารมณ์ร้อนโมโหง่ายต้องแก้อย่างไรคะคือการดูดา่า ว่ากล่าวตักเตือนนี้ทำได้แต่อย่าทำด้วยอารมณ์ทาด้วยเหตุผลเวลาลูกทำอะไรแล้ ว, ลวเราโกรธค้านี้เรายังไม่ควรไปว่ากล่าวตักเตือนเขาต้องรอให้เราสงบสติอารมณ์แล้วก็พูดคุยกับเขาดีๆว่าเขาดีๆว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกอย่าตอปอย่าทาเป็นการสั่งการสอนได้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกเสียใจถ้าเราไม่ทำเราจะเสียใจเพราะจะปล่อยปะละเลยหน้าที่ เด็กเขาไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรเราเป็นผู้ใหญ่ผู้รู้เราต้องบอกเขาสอนเขาเอนเวลาสอนเขาบอกเขาอย่าใช่อารมณ์ใช้เหตุผลถ้ามีอารมณ์ก็ถ้าพูดไปแล้วจะทำด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจก็รอให้สงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยบอกเขาว่าเมื่อกี้ทาอย่างนี้ไม่ถูกนะลูกนะทำไปแล้วเกิดความเสียหายอะไรต่างๆให้เขาฟังไป เขาก็จะไม่เขาก็จะไม่กลัวเราเขาจะไม่โกรธเราเพราะเราพูดด้วยด้วยการด้วยเหตุด้วยผลพูดเหมือนการสั่งสอนบอกบอกเขาผิดถูกดีชั่วว่าเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราพูดด้วยรมเขาจะจับเขาใจเขาจะรู้ว่าเนี้เหมือนกับเราเกลียดเขาโกรธเขาเขาก็กลัวเราเาก็เขาก็ไม่มีความสนิทสนมกับเรา แต่ถ้าเราพูดด้วยความเมตตาพูดด้วยเหตุด้วยผลนี้เขาจะรับได้ในเวลาอบรมสั่งสอนใครนี้ต้องดูอารมณ์ของตนเองก่อนว่าเป็นกลางหรือไม่ปราศจากความรักชังโกรธหรือไม่ถ้ามีอารมณ์เหล่านี้พูดไปแล้วมันจะส่งผลเสียมากกว่าส่งผลดีคุณสุพนัน การที่เราร่วมหลับนอนกับภรรยาของเราแล้วจะมานั่งสมาธิภาวนาได้ไหมครับจะบาปและผิดศีลไหมครับก็นั่งได้เลวมันหลับนอนกับแฟนใ่ ก, ก็อยากจะนอนต่อนะ <c oughs> มีใครอยากจะลุกขึ้นมานั่งก็ลองดูสิลองทำดูไม่บาปหร <c oughs> อกยามทั้งสองอยากก็ได้เอาทั้งน้ำร้อนทั้งน้ำเย็นก <c oughs> ินกาแฟร้อนก่อนเสร็จแล้วก็สั่งกาแฟเย็นมาต่ออ <c oughs> นอนกับแฟนมันก็ร้อนเหรอเวลากินก็เวลานั่งสมาธิมันก็เย็นเหมือนกินน้ำเย็นคุณกุสาวดีจะทราบได้อย่างไรคะว่าพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วท่านไปสู่ภพภูมิไหนคะก็ต้องมีมีอภินยาต้องมีอุปจารสมาธิก็จะรู้ได้ คุณพัดพัด ส, สมาธิสำหรับผู้ป่วยที่นั่งหรือเดินหรือเดินได้ไม่นานจะต้องปฏิบัติสมาธิแบบใดคะพราแบบเดียวกันน่ให้มีสติอยู่พุโทโธพุธโทพธโธไปสวดมนต์ไปดูลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าปล่อยให้ใจทิดฟุ้งซ่านคุณตาหวานหนูเตรียมลาออกจากงานประจำค่ะเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติแต่ที่บ้านมีธุรกิจรออยู่ แต่จใจหนูไม่อยากทำอยากมีเวลาหนูเลยปล่อยไปคิดว่าเดี๋ยวเขาก็มีหนทางออกเองคิดแบบนี้เห็นแก่ตัวไหมคะคือคำว่าเห็นแก่ตัวมันมีสองแบบเห็นแก่ตัวแบบแบบไม่มีความรับผิดชอบหรือหรือเห็นการเห็นแก่ตัวแบบมีเหตุมีผลพอเราทุกคนก็ต้องเห็นแก่ตัวทั้งนั้น่ะเวลากินข้าวนี่เราเห็นแก่ตัวแบบ ทำไมเรากินข้าวถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็ต้องให้คนอื่นกินเนี่ยเรากินแล้วก็เห็นแก่ตัวแต่มันมันเห็นด้วยเหตุด้วยมันเห็นแก่ตัวด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจําเป็น <c oughs> การที่เราไม่ต้องการที่จะมีภาระร ก, กับทางโลกเราอยากจะไปทางธรรมนี่ก็เป็นการเห็นแก่ตัวที่ถูก <c oughs> เพราะงั้น ถ, ถ้าอย่างนั้นเไปไม่ได้ถ้ามวัวแต่เห็นแก่นคนอื่นก็จะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องไปทำให้กับคนอื่นอยู่เรื่อยๆทำเรืไหย่ก็ไม่มีวันจบดังนั้นถ้าเราไปเพราะว่ามันเหมือนเราเป็นคนไข้ใจเราก็เหมือนร่างกายมันทุกข์ก็ไม่สบาย<ม>ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลไปวัดไปปฏิบัติไปไปหาธรรมโอสฐเพื่อที่จะมารักษาโรคใจแต่หลังจากใจเราหายแล้วเราก็มาทำประโยชน์ให้กับโลกได้อีก แต่เป็นงานอีกด้านหนึ่งด้านทางด้านจิตใจเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สะละราชสมบัติแล้วก็ไปรักษาใจของ พ, พระองค์พอใจของพระองค์หายแล้วพระองค์ก็มามาสอนผู้อื่นให้รู้จักวิธีรักษาใจของตอนต่อไปคุณโลตัสบลูถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติต่อเนื่องและจิตยังไม่มีกําลังควรเริ่ม พิจารณาไตรลักษณ์เมื่อไหร่เจ้าคะเพราะรู้สึกว่าจิตไม่ยอมพิจารณาในขณะนี้ใช่เพราะว่ามันไม่มีกําลังหยุดความคิดที่คิดไปในทางกิเลสเนี่ยกิเลสมีกําลังมากกว่ามันก็จะเดึงให้ไปคิดทางโลกคิดทางโลกโกรธหนุแต่ถ้าเรามีธรรมมีสติมีปัญญามันก็จะดึงมาทางปัญญาได้คุณสุดาพร การพิจารณาความยินดีและความไม่ยินดีต้องพิจารณาอย่างไรคะเวลาที่เรานั่งสมาธิเจ้าค่ะ เ, ออเวลานั่งสมาธิไม่ต้องพิจารณาให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจออก็จนจิตสงบแล้วความยินดีไม่ยินดีมันก็จะหายไปเหนือแต่ความว่างปัสะจากอารมณ์เรื่องอุเบกขาคุณสุภานาัท ทำไมเวลาทานอาหารน้อยแล้วนั่งสมาธิรู้สึกกายเบาทำสมาธิได้ดีกว่าตอนที่ทานอาหารเยอะครับถ้าเราทานอาหารน้อยบ่อยๆจะส่งผลต่อร่างกายในระยะยาวหรือไม่ครับอันนี้เราก็ต้องสังเกตดูว่ามันมีผลกระทบในทางลบหรือไม่ถ้ามีเราก็ต้องปรับการลดการอดอาหารของเราให้มันไม่ทำให้เกิดโทษ ทุกอย่างมันมีมัชชิมาของมันมีทางสายกลางมากเกินไปก็เกิดโทษได้น้อยเกินไปก็เกิดโทษได้นรือไม่เกิดประโยชน์ได้ดังนั้นก็ต้องทุกปฏิบัติก็ต้องคอยสังเกตดูถ้าเริ่มอาการมีการกระทบแต่ทางลบต่อร่างกายก็อาจจะต้องปรับลดลงไปก่อนคุณชลีพรดิฉันเพิ่งจะหัดทาสมาธิแต่ยังไม่สามารถหาคาบริกรรมที่ท่องได้ต่อเนื่อง ขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยเจ้าค่ะเอาเงินไหมดีไหมคิดถึงเงินเป็นไหมเงินเงินเงินเงินหาถ้าหายากหรือทองก็ได้เพชรก็ได้มันจะยากตรงไหนเล ย, เรยกรรมเลกรรมพุโทโธมันยากเลยหาตรงไหนมันยากตรงที่มันไม่อยากจะทําเลยมันก็เลยหาเรายากหายาก มันจะยากตรงไหนคำว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆใช่ไคำอะไรก็ได้ที่เราเราเราชอบเราก็ยึดกับมันไป <c ười> เราก็ใช้มันเป็นตัวกำกับใจได้คุณสุพันธ์โลกหลังจากการนิพพานยังมีงานเพิ่มและมีงานอะไรให้ทั้งทำอีกไหมครับก็กินกันนอนเนี่ย ท่านพุทธเจ้ายังต้องกินกันนอนต่อไหหลังจากนี้ผ่านมันเผ่นเดือนหกแล้วท่านก็ยังต้องกินกันนอนครูบาอาจารย์ท่านเล่นๆท่านบอกก่อนละนิน <g rain> ก่อนละนินก็กินแลนอน <g rain> งานสั่งงานสอนก็แล้วแต่จริตแล้วแต่มีใครมาสมัครเรียนหรือไม่ไม่มีนักเรียนมาสมัครเรียนก็มจะไปสอนใครใแต่ถ้ามีนักเรียนมาสมัครเรียนก็ต้องสอนเขา ดังครูบาอาจารย์จึงเรื่องการสั่งสอนนี้เป็นเหมือนโรงเรียนบางโรงเรียนก็ไม่ค่อยมีนักเรียนไปเรียนบ า, บางโรงเรียนก็มีนักเรียนไปเรียนมากอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่ความสามารถของครูบาอาจารย์แต่ละท่านที่จะเอาธรรมของพระพุทธเจ้ามาจําแนกแยกแยะให้คนที่มาศึกษาได้เข้าใจได้เข้าถึงง่ายคนไหนทําได้มากก็จะมีคนมาศึกษามากคนไหนที่ทําได้น้อยก็มีคนมาศึกษาน้อย อันนี้ไม่ได้เป็นงานบังคับเป็นงานที่เรียกว่าเป็นงานอดิลเลกทำก็ได้ไม่ทำก็ได้คุณยายน้อยรับฟังธรรมะเพื่ออบรมจิจจตใจตนเองให้ปล่อยวางได้อย่างไรคะก็ฟังธรรมะแล้วก็จะสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็จะพอรู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราก็ต้องปล่อยวาง่าไปอยากให้มันเที่ยงไม่ได้ แต่กให้มันเที่ยงก็จะทําให้เราทุกข์การนั่งกายนี้จะให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้จะให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้จะให้มันไม่ตายก็ไม่ได้นั่นก็อย่าไปอยากมันมันจะแก่ก็ต้องยอมรับมันมันจะเจ็บก็ต้องยอมรับมันมันจะตายก็ยอมรับมันพอยอมมันก็หยุดหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะอยากไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆถ้าไม่อยากก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเย็นใช้สูตรสามย่อ ยอมหยุดเย็นยอมกับสภาพความเป็นจริงแล้วก็จะหยุดต่อต้านพอหยุดต่อต้านความเป็นจริงได้ใจก็จะเย็นขึ้นมาใจก็จะสงบเย็นสบายแก่ก็เย็นเจ็บไายได้ป่วยก็เย็นตายก็เย็นไม่เดือดร้อนจากชาวลาวนะคะเวลาบรรลุทำแล้วกิเลสจะไม่กลับมาใช่ไหมคะ ก็การบรรลุธรรมก็คือการฆ่ากิเลสฆ่าแล้วมันจะกลับมาได้อย่างไงหมแล้วเลยการฆ่ากิเลสนี้ฆ่าได้สองระดับระดับชั่วคราวด้วยระดับสมาธิเวลาจิตสงบนื่งกิเลสก็ตายชั่วคราวกิเลสก็จะไม่ออกมาเพ่นผ้านในใจ ใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายเป็นอุเบกขา <c oughs> แต่พอออกจากสมาธิมาพอสติอ่อนกำลังลงกิเลสก็เป็นเหมือนหินทับหญ้าเหมือนหญ้าที่ถูกที่หินทับเอาไว้พอเราเอาสมาธิเคยเห็นออกจากหญ้าเดี๋ยวหญ้าก็ฟื้นขึ้นมาได้พอได้รับได้รับแดดรับน้ํสักพักมันก็จะฟื้นขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คือการาระงับ หรือฆ่ากิเลสแบบชื่เข่าวฆ่าในขณะที่เข้าสมาธิเข้าฌานแต่พออกจากสมาธิมามันก็จะออกมาแสดงออกฤทธิ์ออกเดชอีกนี้ก็ต้องใช้การฆ่าแบบถาวรการฆ่ากิเลสแบบถาวรก็ต้องใช้ปัญญาเห็นไตรลักษณ์ในสิ่งที่กิเลสอยากได้อยากได้อะไรมันจะจะต้องเสียใจในภายหลังเพราะสิ่งที่ได้มาจะเปลี่ยนไป อยากดีก็จะกลายเป็นไม่ดีไปจากเกิดก็จะกลายเป็นตายไปพอเห็นผลที่จะตามมาจากสิ่งที่เราอยากได้ <c oughs> ว่ามันไม่เที่ยงว่าเราไปสั่งมันไปห้ามมันไม่ได้ก็ไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเอามันความโนบอยากได้ก็จะหายไปแล้วก็จะหายไปอย่างถาวรไม่ต้องเข้าสมาธิต่อไปไม่ต้องหนีไม่ต้องไปหยุดความอยากพอเห็นตายลัคนี้ความอยากนี่ก็ ตายตทีคุณโนตผมนั่งสมาธิมาทุกวันสี่เดือนช่วงหลังรู้สึกไม่ค่อยสงบเราก็ทราบว่าไม่สงบเราควรทำอย่างไรต่อครับือจะิจะสติไงจะิญสติพอไม่พอไม่มีสติมันก็ไม่สงบพอมีสติมันก็จะสงบ ดนั้อยากขี่เกียร์เจริญสติคอยเจริญสติอยู่เรื่อยๆแม่ว่าจะแกเป็นการบริกรรมพุทโธเป็นการสวดมนต์หรือเป็นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายนะอย่าใจอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วใจมันก็จะสงบถามต่อเนื่องนะคะยังไม่ต้องเดินปัญญาใช่ไหมครับยังเราทัานนี้ยังไม่ต้องเดินปัญญาถ้าอยากจะคิดทางปัญญาก็ได้แต่ เมื่อไม่มีสติบังคับให้มันคิดมันจะไปคิดได้ยังไง mm. มันก็คิดได้สองสามวินาทีแล้วมันก็กลับไปคิดทางกิเลสต่อ <Okay. S 1> บมแล้วเหรอโอเคมีใครอยากจะถามไหมเรื่อนี้นักเล็กปีนี้ปีที่เท่าไหรนะ <laughs> ่แล้วนยกั น, น, กนเจ็ด <laughs> ปีแล้วเนี่ยกันเจ็ดวันกันเจ็ดเดือนกันเจดปีแล้ว ทางมาอะไรเขาต้องเรียกวีทายแล้วก็โชคดีทางพุทธศาสน า, ส น, าสนี้ไม่มีจำกัดจำนวนนักศึกษา <c oughs> จะเรียนเท่าไหร่ก็ได้จะเรียนกี่ปีก็ได้ <c oughs> ก็มีคระยายก็ะถามอะไรไหม <c oughs> ถ้าไม่มีก็เอาท่านนี้ก็แล้วกันนะดีว่าพอสมควรแก่เวลา ขอให้ท่านจงนวเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด